ต่อไปในเรื่องของคาว่าอารหังนะขึ้นคำว่าอารหังในบทที่หกผ่านไปแล้วนะคำว่าอารหังที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้อัทธว่าแปลว่าไกลนะอักของคาว่าอารหังศัพท์เนี่ยแต่ไกลแสนไกลก็ เ, เพราะทรงอยู่ไกลแสนไกลนะจากชนที่มมไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญาเพราะความที่ทรงอยู่สนไกลแสนไกลอย่างชนเหล่านั้นซึ่งชนเหล่าใดไม่ได้ละราคะไม่ละโทสะไม่ละโมหะมานาทิฏฐิวิจิกิชาหิริกาโลตปาไม่ฉลาดในธรรมของพระรยเจ้าก็คือไม่ฉลาดในสติปัฏฐานเป็นต้นน่ะนะไม่ฉลาดในสนีสมาธิปัญญาเนี่ยสมาปัฏทานเป็นต้นไม่รับการแนะนําในธรรมของพระรยาเจ้าคือธรรมของพระ เ, รเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นธรรมของพระรยเจ้า คือถ้าคนบางคนเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพุทธิย่าเจ้ามีโยนิโสมรัศการในการที่จะตั้งมั่นในการที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมของพระผู้มีพาคเจ้าอันต่างด้วยสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีพระโธชงแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปดเป็นต้นไม่เห็นธรรมของพริยาเจ้าไม่ปฏิบัติคือไม่เห็นก็ไม่ปฏิบัติอยู่แล้วไหมการที่จะทําศึกขาสามกาวคือศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ใช่ฐานะนะ แล้วถ้าปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติผิดเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอัตยาศัยเขาน้อมไปสิ่งที่ไม่ใช่ศิกขาสาม น, นะเขาก็ตกจากศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตกจากศิกขาสามก็คือตกจากศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราท่านทั้งหลายก็ต้องมาพิจารณาดูนะว่าสิ่งที่เราหน้าห่วงที่สุดของเราต้องตั้งจิตให้ถูกว่าทําอย่างไรเนาเราจะไม่เป็นผู้ไกลแสนไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำอย่างไรเราจะตกจากศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่เนี่ยนะท่าในขนาดใดนะศิกขาสามกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่ในใจของท่านเราใดท่านเหล่านั้นชื่อว่าห่างไกลจากพระศาสนาห่างไกลจากพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตกจากพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตกจากพระธรรมแปลว่าตกจากศาสนานะ เราห่วงศาสนากลัวศาสนาเสื่อมใช่ไหมแต่ศาสนานั้นคือศิกขาสามนะคือศาสนาพรหมจันทร์ใช่ไหมคือประยะิยัติธรรมส่วนหนึ่งจำบัตธรรมได้ไหมแล้วเมื่อจำบัตธรรมได้เข้าใจพระธรรมไหมเมื่อเข้าใจบัตธรรมแล้วน้อมนําเอาธรรมเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติเามาให้ควรไหมแล้วรู้ไหมว่าศีลมันจะเดินในใจอย่างไรสมาธิปัญญามันจะเดินให้ในใจิตใจได้อย่างไร ถ้าไม่รู้ใช่ไหมเมื่อรู้แล้วศีลสมาธิปัญญามันจะเดินอย่างนี้แล้วสามารถปฏิบัติได้จริงไหมไอ้คาว่าปฏิบัติในที่นั้นก็คือทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไทบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยทำยังไงน่ะก็ต้องดูที่กายกรรมนะัม้นมีศีลกํากับอยู่ไหมวจีกรรมที่จะพูดแต่ละคำมีศีลกํากับอยู่ไหมจิตใจนั้นไม่มีบาปอกุศลเข้าเจอือญนลไหม และมีสมาธิคอยรอเลี้ยงในใจอยู่หรือไม่ปัญญามาตรวจสอบกายกรรมวยีากรรมอาชีพของตอนเองดีมะและตนเองพร้อมที่จะขัดเกาาสุจริตสาคือกายสุจริตวจีสุจริตและกมโนสุจริตเพื่อจะเป็นฐานในการฟังพระธรรมของพระรมศาสดาหรือไม่ถ้าไม่มีตรงนี้แปลว่าเรานั้นเป็นผู้ตกจากศาสนธรรมของพระผู้มีพ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ระภรรระาคเจ้าแล้วเราห่วงใครเรามานั่งคิดดูด้ถามว่าเราห่วงใคร คนที่น่าห่วงที่สุดคือทําอย่างไรเนาเราจะไม่ตกจากศาสนธรรมกล่าวคือพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาเจ้าถ้าเราตกจากศาสนธรรมคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาเจ้าแปลว่าหนึ่งตกโดยฐานะเราไม่สามารถมีภระปริยัติธรรมอยู่ในใจสองมีพระปริยัติธรรมกล่าวคือพระธรรมคําสอนอยู่ในใจก็จริงอยู่แต่ไม่เข้าใจศึกษาแล้วไม่เข้าใจ สศึกษาและเข้าใจแล้วไม่สามารถจะทําการปฏิบัติคือทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดในใจได้เมื่อทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดในใจไม่ได้ศีลไม่สามารถดูแลกายกรรมวิจีกรรมและอาชีพให้บริสุทธิ์สมาธิไม่สามารถป้องกันนิวรธรรมอันต่างด้วยกา ร, รมาฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทจักุกุจารและวิจิติิชาได้ปัญญาไม่สามารถกําจัดความ สงสัยความลังเลใจความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าศิกขาสามไม่เดินในชีวิตจริงแปลว่าท่านเหล่านั้นตกจากพระศาสนาของพระผู้มีพระภ้าเจ้าเรียบร้อยแล้วแล้วศาสนาจะเจริญในใ จ, จเจริญในกายกรรมวจิกรรมของท่านเหล่านั้นจากที่ไหนเมื่อเราตกจากศิกขาสามของพระผู้มีพระภ่าเจ้าก็ถือว่าตกจากมรรคที่เป็นปุปภคของอริยมรรค เมื่อเราตกจากศิษขาสามก็คือเราไม่เข้าถึงศาสนาของพระบรมศาสดาเมื่อไม่เข้าถึงศาสนาของพระศาสด า, รสร า, ส า, ร า, าเรากไ็ไม่มีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในใจเมื่อไม่มีพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในใจอยู่ในกายวาใจและจิตใจเป็นต้นตอนนั้นชื่อว่าไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นเราคือไม่เห็นพระเจ้าเห็นไหมว่าเมื่อไม่เห็นพระเจ้าชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากพระธรรมด้วยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าด้วย อยู่ห่างไกลจากพารียสงด้วยพระบรมศาสดาจึงตรัสบอกว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ไกลแสนไกลจากพระศาสดาเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาใช่ไหมไม่ฉลาดในธรรมไม่ได้รับการแนะนําในธรรมไม่ละราคะโทสะโมหะไม่ฉลาดในธรรมของพระญาตเจ้าไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระญาตเจ้าไม่เห็นธรรมของพระญาตเจ้าไม่ปฏิบัติและก็ปฏิบัติผิด พระทรงเป็นผู้อยู่ห่างไกลแสนไกลจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ดูกรภิกษุทั้งหลายแม้หากภิกษุจะพึงจับชายจีวรหรือสังกติของเราติดตามไปข้างหลังย่างเท้าตามไปทุกๆุกย่างก้าวแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มากไปด้วยอภิชาคือราคะกุ้มรุมในวัตถุการคือในรูปเสียงจินรสสัมผัสมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเสียแล้ว มีความโกรธความหงุดหงิดความพุ่งสั้นมีสติหลงลืมไม่มีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดในการก้าวไปในการถอยกลับในการมองในการแย่การเหลียวเห็นไหมในการแย่การเหลียวการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการทรงผ้าสังขติบาจีวณหรือนุ่งผมเป็นต้น หรือในการยืนเดชะถายอุจจาระปัสสาวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดกันนี่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตมากไปดึกฟุ้งซ่านมีอินทรีย์ปรากฏไม่มีอินทรีย์สงบตาก็ไม่สงบหูจมูกลิ่นกายใจก็ไม่สงบเนรอกแรกเลยจิตใจเพราะอะไรมากไปด้วยพิจาและโทมนัสเธอย่อมเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากเรา และเราก็อยู่ห่างไกลาจากเธอโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นเพราะอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเราใดไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราฉะนั้นจริงอยู่นะบุคคลตามที่ได้กล่าวแล้วถ้าจะพึงเป็นผู้ท่องเที่ยวไปอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาในเวลาเชา้าในเวลาเย็นภิกษุเหล่านั้นจะกล่าวว่าอยู่ในสำนักพระศาสดาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้ถ้าเราไปว่า้พระพุทธเจ้าที่เจดวันเนยนะ สถานที่ประสูติสถานที่ศัตรู้สถานที่แสดงธรรมจักรสถานที่วัดเวรุวันเอวยภูเขาคิจกูดเดยเนะวัดที่ของขอ๋อชิวะชิวะกะอัมภวันหรือวัดเชตาวันเป็นต้นตลอดถึงไปณนะสถานที่เสด็จตับขันทบรินิพนธ์ของพระโรมศาสดาเนะแต่บุคคลเหล่านั้นมากไปด้วยอภิชาและพยาบาทเป็นต้นไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะ อย่างนั้นชื่อว่าไม่ได้เข้าใกล้สำนักของพระบรมศาสดาแม้ในเวลาเย็นแม้ในเวลาเช้าแม้ในเวลากลางคืนบุคคลเหล่านั้นควรจะอยู่ในสำนักของพระาศาสดาด้วยเหตุเพียงเท่านั้นก็หาไม่ได้แม้พระาศาสดาก็ควรกล่าวว่าประทับอยู่ใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นที่นั้นพระบรมศาสดาจึงมีนามว่าอรหังพระราวชงอยู่ไกล คือห่างไกลจากสัตว์บุรุษนะคือบุคคลที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตแล้วก็ไม่ได้อ บ, มบรมปัญญาทรงอยู่ไกลแสนไกลจากบุคคลเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงประพันธ์คาถาใช่ไหมที่บอกว่าสัมมาณปิปัชชนตีเยนีนาสยามนาราอารกาเตหิมะขว่า ธเรเตนารหังมโตบุคคลเหล่าใดมีอัธยาศัยเลวไม่ปฏิบัติชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ไกลคือห่างจากบริษัทเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงได้รับขนานพนามว่าอารหังได้สมอยู่ไกลต่ออาศัตรุูตนที่ได้กล่าวมาอันนั้นในบทที่6้นะ ต่อไปก็ในความหมายประการที่เจ็ดในบทที่เจ็ก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอารหังพระอาทะว่าเป็นผู้อยู่ใกล้เพราะความที่พระองค์นั้นอยู่ใกล้ถามว่าความที่พระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้อะไรตอบว่าชนเราใดอบรมกายด้วยจารีสินนะอบรมศีนด้วยวาริตสีนนะนะอบรมจิตด้วยสมถะอบรมปัญญาด้วยวิปัสนาปัญญาเห็นไหม ศีลสมถะวิปสัสนาศีลนี้อบรมกายเนี่ยอบรมจิตด้วยเนี่ยเนี่ยศีลจองจ้วนเพราะความที่พระองค์อยู่ใกล้ชนเหล่านั้นนั่นแหละจึงชื่อว่าชนเราใดละลาคะคือความโลภความยินดีความเพื่อเพลินละโทสะคือความโกรธและโมหะคือความหลงได้บุคคลเหล่าใดฉลาดในธรรมของพัทธิยะได้รับการแนะนําในธรรมของพัทธิยะเนี่ยโหฉลาดในไหน ฉลาดในขันในอาญนะาตนะในธาตุในสัจจะในอินทรีย์ในปฏิจจุนบาทในสติปฐานสี่ในสัมมาปทานสี่อธิบาทสี่อินทรีห้าพละหา้าแล้วก็โพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดนาะได้รับการแนะนําในธรรมของปริยะเห็นธรรมของปริยะแล้วก็ปฏิบัติชอบเพราะความที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับชนเหล่านั้นเออข้อนี้พระบาลีที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เองนะดูก่อน ภิกษุทั้งหลายแม้หากภิกษุจะพึงอยู่ห่างเราถึงร้อยโยอดตอนนี้แม่จะพูดถึงห่างเราห่างนะใช่ไหมกายเราห่างเลยนะแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มากไปด้วยโทสะเออลำดวามีราคะในกามทั้งหลายไม่กระไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินในวัตถุกามทั้งหลายมากมายนักใช่ไหมเออมีใจที่จะน้อมและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่พอสมควรแล้วก็โดยส่วนมากนี่นะ มีจิตไม่พยาบาทมีความดําเริในทางใจไม่เสียว่าดําริชอบมีใจเป็นไปกับเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ยมีสติสัมปชัญญะเข้าไปตั้งไปแล้วเนะี่ยเขาแปลว่มีสติสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะก็หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเลยใช่ไหมเออมีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดในการก้าวไปถอยกลับในการแรในการเหลียวในการคู่เข้าในการเหยียดออกใช่ไหม ในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในทั่พะก็ทรงบาดใช่ไหมพังผ้าสังคติบาดแล้วก็ดีวอหรือไทยพระว่ากันนุ่งห่มเสื้อผ้าเป็นต้นหรือมาอย่างนั้นเกี่ยวในเรื่องของการทายวิเชลปัสวะในการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการทูดการนิ่งถ้ามีสติสัมปชัญญะในฐานะเจตในลักษณะอย่างนี้ย จิตตั้งมั่นมีจิตแน่แน่สัมรวมมีสีนะภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้เราอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เราตถาคตและเราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดบุคคลเหล่านั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุนั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตจริงอยู่นะ บุคคลเห็นปานนั้นแม้อยู่ห่างไกลภาษาสดาตั้งร้อยยอดพันยอดดีนะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ควรกล่าวว่าเที่ยวอยู่ไกลภาษาสดาแม้เหี้ยเพียงเพราะอย่างนี้แม้ภาษาสดาก็ควรกล่าวว่าทรงไม่อยู่ไกลกับบุคคลเหล่านั้นทรงอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นเลยฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้นามว่าอรหงังเถรพิจารณาอย่างนี้เราก็น่าคิดเนาะ น่าคิดตรงที่เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาเออทาอย่างไรเนะเนี่ยเราถึงจะทำให้อภิชาและโทมนั์คือราคาโทสารโมหะนี่นะไม่กุ้มรุมจิตใจเรามากถ้าราคาโทสามโมหะกุ้มรุมแล้วเราปล่อยมันกุ้มรุมเนี่ยถามว่าบุคคลที่เสียหายคือเราเนะพระธรรมของพระบรมศาสดาก็กาลังดาเนินไปอยู่ใช่หถ้าผู้มีภเจ้ากาลังทำกิในการแสดงธรรมอยู่ แม้สงสารวกของผู้มีภานยากก็กําลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แต่เราท่านทั้งหลายทําไมถึงปล่อยให้อภิชาและโทมนัทนะ่ยรัดลึงใจเสียได้มันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมอะไรเนอะมันทิ่นตําใจเราใช่ไหมทำไมจิตเราจึงไม่ตั้งมัน่นสัตตินรีเราอ่อนนั่นเองเวรินรียก็อ่อนสตินินรียสมาตินรียแล้วกับปัญญีย์ก็อ่อนใช่ไหมแล้วเราไม่น้อมที่จะขัดเกาตัวเราเองจริงๆเนี่ย ชีวิตเราปล่อยป่าละเลยมาอย่างยาวนานแล้วเราเจอพระบรมศาสดาเราก็ไม่เห็นพระบรมศาสดาเราไปสํานักของพระบรมศาสดาเราก็ไม่เห็นพระบรมศาสดาไม่ได้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาเราไปไหว้พระบรมศาสดาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบางครัค้งเรานั่งใกล้ชิดพระบรมศาสดาอยู่ต่อหน้าพระธาตุต่อหน้าอุเทศกาเจดี JD, บริโภคเจดี JD, ธรรมะเจดีต่างต่างเหล่านี้นะ แต่เราทําใจของเราให้ห่างจากพระบรมศาสดาเมื่อใจห่างกลยก็ห่างจะมีอะไรเล่าก็คือเหตุเหตุผลในการวัตฏะก็ยืดยาวมันเป็นอย่างเงี้นะฉะนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดสัตว์บุรุษทั้งหลายนะใกล้ชิดพระพุทธเจ้าฟั ง, งทำน้อมจิตในการต่างๆมันพูดปฏิบัติทำศีกขาสามกาวคือศีล ส, สมาธิปัญญาให้เดินในกระแสจิตอย่างนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ชิดของพระบรมศาสดาพระบรมศาสดา ตรัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างน้นแล้วท่านประพันธ์คาถานะพระท่านเป็นคาถาบอกว่าเยสัมมาปฏิปัชชันติสุ ป, ปนิตาธิมุติาอาราคาเตหิอาสนเนเตนาปีอรหังชิโนพระธรรมเหล่าใดนะมีอธิมุติอันปณนตดีแล้ว มีอัธยาศัยในการที่จะนําสัตว์หลุดพ้นดีแล้วเราปฏิบัติชอบตามพระธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอยู่ใกล้ทรงอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นแม้เหตุอย่างนั้นพระชินะคือผู้ชนะมารคือพระบรมศาสดานี่นะทรงมีพระนามว่าอาลหังแม้เพราะเหตุอย่างนี้นี่เข้าใจนยะนี่เป็นนี่คือประการที่เจ็ด ประการต่อมาก็คืออรหังในบทที่8พระองค์ทรงลาบาปประธรรมทั้งหลายบาปธรรม ท, ทั้งหลายอันต่างด้วยราคาโทสะโมหะมานาทิฐิวิจิกิจช า, าอินเกะอโนุตตะาและอุทธาจารทั้งหลายเหล่าเนี้นะบาปธรรม ท, ที่มีราคาโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านั้นดังที่ได้กล่าวที่เกิดขึ้นในสันดานใดเกิดขึ้นในกระแสะขันของท่านผู้ใดนี่ยก็นำความวิบัตินำความฉิบ ห, า ย, หายทั้งหลายที่เป็นไปในทิฏฐธรรม คือทำที่จะเป็นไปในปัจจุบันพบให้กับกระแสขันของท่านผู้นั้นเน่ยเออเรามาทําบาปทํากรรมมาทําให้ตนเองเสียหายจริงๆเยอะเออมันน่าคิดมันน่าพิจารณาว่าทําไมเนะเราทําให้บาปอกุโสณธรรมอลามกความไม่งามทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของเราและในทจุดจริงๆในทิฏฐธรรมทําที่จะเป็นไปในปัจจุบันเราก็เสียหายทั้งที่เป็นไปในสัมป라ยภพบในสันดานนั้นถามว่ากระแสของขันอิยตนาธาต ในปัจจุบันนะพบเนี่ยเขวิบัติแล้ววิบัติไปเพราะไม่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นไปกับกุศเลเลยไม่เป็นไปกับศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลไม่เป็นไปกับทานกุศลศีลกุศลแล้ก็ภาวนากุศลไม่เป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเออมาพิจารณาในลักษณะนี้แสดงว่ากระแสของขันของเราที่เป็นไปในทิฏฐธรรมก็เสียหายก็ลองคิดดูนะว่า ในทิฏฐธรรมก็คือว่าขันธาตุอายตนะที่มันหมุนไปในปัจจุบันภพนี่นะมันยังเสียหายขนาดนี้แล้วแล้วขันที่จะหมุนไปในอนาคตที่เป็นสัมปรายภพเลยคืออันต่างด้วยความเป็นไปของขันธาตุอายตนะที่หมุนไปโดยไม่ขาดสายในสัมปรายภพคือภพถัดไปเนี่ยมันจกเสียหายขนาดไหนใช่ไหมเพราะไอบาปอกุจอธรรมทั้งหลายมันปักแน่นในกมูลรสนดานของท่านหมู่นั้นแล้วแล้วมันเป็น สิ่งที่ฝังมันเป็นตะปูที่ตึงใจและเป็นตะปูดอกยาวด้วยแล้วก็เป็นเหล็กที่มันเสียบอยู่อย่างนั้นและเราก็ไม่สามารถใช้คีมกับเพื่ออรยามัดเนี่ยขอดออกได้เราไม่สามารถดําเนินศิกขาสามในใจของเราได้เลยเนี่ยและเราปล่อยให้บาปรธรรมอักบาปอกโศแลธรรมอลามกมันปักแน่นอยู่อย่างยาวนานแม้ในปัจจุบันนภขันาธาตุอัยตนาที่หมุนไปทางทาวารตาหูจมูกร่้งกายและใจก็เสียหายวิบัตินะ เสียหายจริงๆนะเห็นรูปอาลมกับวิบัติกินอีกแล้วเสียง ม, มากระทบทางโสตทวารกับวิบัติกินอีกแล้วนี่ในปัจจุ บ, บันเพเราเสียหายเลยราคะก็กินใจโทสะก็กินใจโมหะก็กินใจนะรับกินทางทวารจมูกกับราคะโทสะโมหะกินใจกินอาหารทางทวารลิ้นกระทบรสอร่อยหรือไม่อร่อยกับราคะโทสะโมหะเกิดโพธะะเย็นร้อนมากระทบกายกับราคะโทสะโมหะเกิด คิดอะไรจะติดข้องไปหมดเลยอ่ะราคะโทสะโมะหะกินใจหมดเลย อ, อย่างนี้ก็เรเสียหายในทิฏฐ์ธรรมคือธรรมที่จะเป็นไปในปฏิจบันนะพบขันคนยิ่งหมุนคุณก็ยิ่งมิบัดอ่ะท่านใช้คำว่าชีบหายอ่ะเฮ้ยยิ่งหมุนไปเมื่ลไรอ่ะแล้วหยุดไม่ได้ด้วยเออคุณหยุดไม่ได้คุณจะทํำยังไงถ้าคุณไม่ทําสิกขาสามไม่เดินเนี่ยเพราะคุณตั้งอายุนิสมนณสิการไว้ตลอดคุณมรณาสิการผิดใส่ใจผิดไข่ควรผิดใช่ไหม เอออุปายามนัสิกานการคิดแบบมีอุบายแบบมีวิธีเพื่อจะยังลงอริยสัจคุณก็ไม่มีปัจธานมนัสศศิการคิดเป็นแปลตามทางอริยมรรคอริยผลเป็นต้อนอะไเนี้ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคุณก็ไม่มีอัรณัมมานัสิกา ร, าศศการคิดตามเหตุสาวหาเหตุปัจจยัยวัชรามรณามีพราะมีชาติเป็นต้นเนี้ยจะคิดสาหาเหตุปัจจยัย ต, ต่างๆก็ไม่มีอุปาเท่ากับมานัสิกานคิดปลุกเราศรัทธาอุริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น ในสัตทิ น, นรียในภพรมศาศสดาอย่างมากก็ไม่เกิดเสียหายแน่กระแสขัน ย, ยิ่งหมุนก็ยิ่งเสียหายเอามันเป็นอนิจจังอะ่ะคุณท้าวไม่หมุนไม่ได้เอาเป็นทุกข์ด้วยอะ่ะเบียดเบียนเพราะความเกิดทีด่วความดับตลอดเวลาเป็นอนัตตาคุณคอนโทรลไม่ได้เมื่อหมุนไปเป็นอกุศลธรรมนี่หมุนไปตลอดทั้งที่ทั้งรูปธรรมก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนะเพราะอนามธรรมที่เป็นบาปอากุศลมีราคะโทสะโมหะใช่ไหม เวทนาขันก็เสียหายสัญญาขันก็เสียหายสังขารขันอย่างอื่นก็เสียหายวิญญาณขันก็เสียหายนามขันเสียหายตั้งอยู่ในหาทแยวัตถุหาทแยวัตถุก็เราร้อนด้วยราคะด้วยโทสะโมหะหาทแยวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะมหาพรตรูปสีที่เกิดจากกรรมอ่ะมหาพรตรูปสีที่เกิดจากกรรมก็เสียหายเอากระทบกระเทือนถึงมหาพรตรูปที่เกิดจากจิตที่เกิดจากอุตูที่เกิดจากอาหารเพกิดจากจิตเสียหายก่อนกระทบกับกรรมกระทบกับอุตูกระทบกับอาหารหมดเลย ผมขนเล็บฟันเสียหายหมดเลยเว้ยนามธรรมที่เป็นใบกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นบาปอกุศลนามธรรมนี้เขาเรียกว่าเสียหายยทิฐธรรมชัดแล้วถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยโอู้ยทําไมบาปมันไหลอยู่ในกระแสนามธทํารูปธรรมของเราอยู่ตลอดเวลากระแสขันมันหมุนมันเดินมันไม่หยุดแล้วเราห้ามไม่ได้พอห้ามไม่ได้แล้วสกัดไม่ได้แล้วหยุดมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขั้งอานาตา ใช่ไหมมันเป็นขก็มันอยู่อย่างนี้แหละแต่คุณไม่เห็นเนี่ยคุณไม่เห็นบาปเกิดก็ปล่อยให้บาปเกิดบุญเกิดปล่อยบุญเกิดคุณอยู่อย่างไให้ร่องลอยเลยอ่ะคุณไม่ตั้งโยนิสมฆ์นสิการคุณไม่เพียรพยายามในการละบาปแล้วคุณปฏิบัติอะไรกันใช่ไหมเออนั่นคือข้อปฏิบัติอะไรเนี่ยเพราะคุณไม่เคยสกัดกั้นไม่ให้บาปเกิดในกระแสขันของคุณเนี่ยคุณอยากจะเรียนรู้อย่างเงี้ยคุณอยากจะดูมันเงี้ยพอไปดูไปเรื่อยๆมันก็เกิดใช่ไหมมันก็มาเกิดกระแสขันคุณก็วิิบัตอ ท่านสอนให้ห้ามท่านสอนให้ละท่านสอนให้ปฏิเสธแต่คุณบอกไม่เอาใช่ไคุณจะเอาให้เข้าสู่กระแสขันต้องคุณให้ได้กระแสของนามาทำรูปธรรมคุณวิบัติเลยจับต้องเสียหายในทิฏฐธรรมใช่ไและมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมและกระแสขันมันก็เสียหายไปเรื่อยๆอัตยาสัยของคุณก็ฝังแน่นลึกไปลึกไปแล้วในที่จุดราคะก็หนาแน่นโทสะก็หนาแน่นโมหะก็หนาแน่นมานะทิฏฐิวิจิกิชาหนาแน่นอหิริกาโนตปะอุทะจั ก็หนาแน่นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหนาแน่นบาปอักษธ ร, รธรรมอลามกกันหนาแน่นมิจฉาทิฐิมิจฉ า, าสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากามันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉ า, าสมาธิกนนันหนาแน่นกลายเป็นหนาเขาเรียกปุถุไงความเป็นปุถุชนน่ยมันหนาแน่นแบบนี้มันพอกพูมนมาหนาแน่นนี่คือความวิบัติคือความเสียหายไปในพิธาธรรม เมื่อมันเสียหายหนานแน่นไปในทิฏฐาธรรมแล้วแม้ในสัมปร라ยภพมันจะไปหนานแน่นในสัมป라ยภพเพราะอัจฉรยิยะสายที่เป็นอุปนิเสยปัจจัยมันก็ฝังล่องฝังรอยไปลึกมากไอ้ล่องรอยตัวนี้มันลึกๆึกลึกึล ก, ล, กลงไปจนไม่สามารถจะดึงกลับได้แล้วเนะี่ยบางท่านปล่อยให้หนาแน่นไปจะถึงอหิทุกขทิฏฐิปฏิเสธเหตุนัดทิกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีอกริยาทิฏฐิเห็นว่าการกระทําไม่เป็นบุญเป็นบาปลองคิดดูที่ เราจะปล่อยให้เรานั้ น, นะนเนี่ยหนาแน่นลงไปลึกขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ยทําไมเรามาทําร้ายบัทส ร, ราตัวเองขนาดนี้ทําไมเราไม่เห็นคุณของพระ ศ, ศาสดาทําไมเราไม่เห็นโทษของบาปอกุศล ธ, ธรรมอลามกต้องเตือนตัวเองแรงๆเยอะต้องกระตุกต้องเตือนต้องไถ่ควรต้องพิจารณาว่าเราท่านทั้งหลายว่าเรากําลังดําเนินอะไรกันอยู่ถ้าพิจารณาในลักษณะนี้เราจะเห็นคุณของพระบรมศาสดาว่าโอ้ยเพ้อ บุญคุณของพระบรมศาสดาน่ะยิ่งใหญ่อย่างมากฉะนั้นพระบรมศาสดาบอกว่าดูก่อนพราหมณ์กมานะบาปประธรรมทั้งหลายเนาะบาปประทมก็คือบาปอกุศลธรรมะรามกนี้นเกิดขึ้นในขันธสันดานย่อมนามาซึ่งความฉิบหายทั้งที่เป็นไปในทิฏฐธรรมคือธรรมที่เป็นไปในปัจจุบันพบที่เป็นไปในสัมเพรียาพบในสันดานของสัตว์เหล่านั้นและเป็นข่าศึกโดยส่วนเดียวเป็นศัตรูโดยส่วนเดียวนะ อาเป็นค่าสึกต่ออะไรเป็นค่าสึกต่ออริยมรรคเป็นค่าสึกต่อปฏิปทาเป็นค่าศึกต่อศีล ส, สมาธิปัญญานะเป็นค่าสึกต่อสติปัญญานสมาประญานอิทธิบาทอินทรีย์พระโพชฌงอริยมรรคและเป็นปฏิบัติต่อปฏิปทาอันยญงสัตว์ให้บรรลุพระนิพพานบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นอันสาตุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติอยู่โดยชอบพึงเว้นพึงสละรอบพึงละให้ห่างไกลเพื่อจะยัง ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์นะตอนนี้เออประโยชน์ตนเระบริบูรณ์ไหมประโยชน์ท่านให้บริเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารหะสบาปธรรมเหล่านั้นก็ราะเหตุที่พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้านีละได้แล้วโดยประการทั้งปวงคือตัดให้เด็ดขาดโดยอริยมรรคณขวงโพธิปึกนั่นเองที่ท่านตรัสว่าดูก่รพรามราคะโทสะโมหะตถาคะตะคาคตคาคตละได้แล้วอกุชลธรธรมอันลามกทั้งหมดตถาคตละได้หมดแล้ว ถอนรากได้แล้วก็ทำให้ไม่มีที่ตั้งอาศัยเหมือนตาลที่ถูกถอนรากตัดรากเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่มีอีกต่อไปมีความเกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ได้เป็นธรรมดาพระ อ, องค์ไม่มีชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกขไม่มีความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อควรจะกล่าวว่าอะรหูพระพอาว่าบาปรธรรมอันชื่อว่าระหานี่ที่แปลว่าควรเว้น ไม่มีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพภาคเจ้าไม่ควรเว้นแต่เรายัางควรนะยังควรนะท่านยิงกล่าวอารหังแปลงโออักษรเป็นอะอักษรพร้อมตั้งลงนิกหิอาคมก็เรียกเรียกว่าอารหังเลยใช่ไหมท่านกล่าวพระพันวินคาถาบอกว่าปาปธรมมารหานามาสาธุหีราหิตา พาโตเตสังสัทปะหิน ต, ตาบาควาอาระหังมาโตบาปรธรรมทั้งหลายที่ชื่อวะระหะเพราะอันสาทุชนทั้งหลายควรเว้นแต่ถ้าผู้มีพระภาคได้รับขนานนามว่าอรหังเพราะทรงรับละบาปรธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้หมดจดอย่างเด็ดขาด เรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายควรที่จะบูชาพระผู้มีพระเจ้าเพราะอาจจะว่าพระบรมศ า, ศาสดาทรงละบาปธรรมคือบาปอกุศลธรรมอันลามกได้ด้วยประการอย่างนี้นะก็ พ, ะพิจารณาพอจะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนาะพอเข้าใจเเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะ เราท่านทั้งหลายก็ตั้งจิตให้ปลาโมดให้ปีติให้ปัจสติเขาไว้ในการที่จะฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคจ้านะตั้งจิตให้ดีในการที่จะนอบน้อมพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาทีนี้ประการต่อไปนะี่ยคำว่าอารหังเนี่ยพระอาตราว่าไม่ละไม่ละอะไรไม่ละเว้น คื อ, อ, อทรงเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นไม่ละเว้นก็คือว่า <c oughs> พระรหันต์ขีนาศนะพระขีนาศทั้งหลายและบุคคลผู้มีโยคะอันบริสุทธิ์มีอัธยาศัยงามถึงพร้อมได้ศีลคุณมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจักขะปัญญา เนต้นเหล่านั้นไม่ถึงราเว้นไม่พึงสละดอบพระบรมศาสดาพระผู้มีพรภาคเจ้าก็ไม่ทรงลาเว้นไม่สลัดลอบบุคคลเหล่านั้นเนาะเออพระอรหันต์ขีนะ่สอบเล่าใจนะกําหนดรู้ขันโดยประการทั้งปวงเนาะเออพระอรหันต์เนี่ยท่านกำหนดรู้โดยยาตาปริญญาตีระนาปริญญาแล้วก็ทำประหารนะปริญญาในครูประคันเวทนาสัญญาสังขารอญาเรียบร้อยแนละ้วท่านละโดยประการทั้งปวงท่านละราคาโทสาโมหาเรียบร้อยหมดแนละ้ว แล้วพรท่านเจริญมรรคแล้วระดับมรรคของพระโสดาบันต่างแตเจริญเรียบร้อยอบรมเบีดเสร็จมรรคของพระสกาธาคามรรคของพระนาคามรรคของพอระหลานท่านสามารถกระทํานิโรธรู้แจ้งในพระนิโรธนิโรธเอานิโรธเป็นอารมณ์แม้แต่พระเศคาบุคคลทั้งหลายต่างๆโดยพระนาคาพระสกาธาพระโสดาบันบุคคลเหล่านั้นมีฉันท่าในใจอันยังไม่บรรลุใช่ไหม ย, ยังปราศจกหนาความเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่ไหมยังปราศกันา อันหนึ่งบุคคลเหล่าใดมีประโยคบริสุทธิ์ความเพียรบริสุทธิ์มีอัธยาศัยงามนี่นะถึงพร้อมด้วยคุณนะคือศรัทธาศีลสุตตัจฉาปัญญาเป็นต้นท่านเหล่านั้นน่ะไม่พึงละเว้นน่ะไม่พึงสละรอบพระบรมสาสดาแล้วพระพุทธพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงละเว้นไม่ทรงสละรอบซึ่งท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าหังแปลว่าไม่ถูกละไม่ทรงละ พระรยาเจ้าทั้งหลายย่อเป็นผู้ไม่ละเว้นไม่ไปจัดสรีละคือของพระบรมศาสดาเนียและประทานของพระศาสดาก็ทำพระธรรมที่พระศาสดาเห็นแล้วให้ประจักษ์อย่างที่ท่านตรัสว่าดูก่อนพรามเราเป็นผู้ไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนย่อมเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยใจเห็นไหมเออท่านไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านทําความเพียรเนี่ยเหมือนอย่างกระเห็นโดยจักสุ เราถวายนมรสการอยู่ทำราตีให้ผ่านไปเออเราจะทำยังไงใช่ไหมเออท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเลยเราจะทำอย่างไรไเน้ะที่เราจะเห็นพระบรมศาสดาเนะเห็นทั้งกลางวันเห็นทั้งกลางคืนน่ะไม่เคยละเว้นจากพระบรมศาสดาเลยะนแค่เราลักษณะอย่างนี้เป็นเสร็จก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเห็นทำแล้วพอเห็นเป็ดเสร็จลองคิดดูดิ เวลาพระทำปรากฏขึ้นกระจก็คือพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นกระจายของท่านแล้วท่านก็ถวายนมัส ก, การอยู่ตลอดทั้งคืนเนี่ยนะเราหมายซึ่งการไม่พากไปจากพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นทีเดียวเออตอนนั้นศรัทธาปีติและสติของท่านนะ่ะท่านบอกว่าของข้าพเจ้าไม่ปราศจากพระบรมศาสดาของพระโคดมนะ พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดังแผ่นดินเสด็จไปสู่ทิศใดๆข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้น้องไปทางทิศนั้นๆเหมือนกันอย่างนี้ท่านพิจารณาดูโอ้โหท่านจะไปในที่ไหนใช่ไหมท่านไปกับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยตอนนี้นะพผ้าหันตาเจ้าทั้งหลายก็ดีพระเสข้าบุคคลทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านไม่เคยเว้นพระพุทธเจ้าแม้แต่วันหนึ่งเลยท่านมีพระพุทธเจ้าอยู่กับท่านในใจของท่านเป็นใบกับพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา แล้วพระบรมศาสดาก็มาเลยไม่เคยทิ้งท่านเลยไม่เคยสลัดรอบท่านเลยเราก็มาพิจรารณาดูเ ร, <c oughs> เร า, าท่านทั้งหลายนะว่าเออเรามีบ้างไหมที่เรารมีพุทธคุณเป็นอารมณ์บ้างเนี่ยถ้าเรามีพุทธคุณเป็นอารมณ์อย่างถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาชื่อว่าเรานั้นเรานั้นไม่สลัดรอบพระบรมศาสดา <c oughs> แล้วตอนนั้นพระศา ส, ะสะดาพระศาสดาก็ไม่สลัดรอบไม่ทิ้งเราเราไม่ทิ้งพระเจ้าพระเจ้าไม่ทิ้งเรา <c oughs> เป็นต้นเนี่ยนะ เออเราต้องการจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราเห็นอยู่ไหมตอนนี้ที่เรานั่งอยู่พระบระมศารสดาประทับอยู่ในระหว่างใจเราอยู่เหตนเวลาท่านจะเจริญพุทธานุสติใช่ไหมท่านจับนามสิกมานาสิกการในใจว่าประดุดหนึ่งว่าพระบระมสารสดาประทับอยู่บนศีรษะของเราก็แสดงว่าท่านต้องการให้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดท่านทีนี้ถามว่า เราทําใจของเราว่าตอนนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ศรีรษะเราจริงอยู่แต่ใจเรามากเลยราคาโทสะตอนนั้นชื่อพระศาสดาไม่มาแล้วงั้นถ้าพระศาสดาจะประทับที่ศรีรษะเรานั่นก็ตอนนั้นใจเราต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมานาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อไม่มีบาปอกุศลธรรมะรามวกเหล่านี้แล้วยังไม่พอแค่นั้นนะเออยังไม่พอแค่นั้นเรายังทําจิตใจของเรานะั้นน้อมและลึกถึงพุทธคุณ กาวคือคุณของท่านอย่างทองแท้ด้วยนะจิตใจของเราก็ะพองใสสว่างไปด้วยปลาโมดด้วยปีติด้วยปัสสติด้วยความสุขด้วยสมาธิไหมถ้าใจของเราเป็นไปกับพระธรรมคําสอนเป็นไปกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแสดงว่าพระุทธเจ้านั้นประทับอยู่ในใจของท่านบนนั้นแล้วถ้าเรียบบคุคคลเราใดนะจึงไม่ยอมไม่ยอมอุทิศาสาอื่น เหมือนอย่างที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะบุคคลที่เป็นพระโสดาบันสกท า, านะคะจะพึงอุทิสสศศาสดาอื่นท่านไม่อุทิศกายและใจของท่านไปนฝากไว้กับศาสดาอื่นไปถวายาศาสดาอื่นอีกแล้วไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสข้อนี้ไม่ใช่ทนฐานะและไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้อันนั้นเป็นอธรนะไม่ใช่ฐานะคือแตงหลังรอท่านทั้งหลายใช่ไหม ต้องระวังให้ดีนะว่าเออเดี๋ยวเราจะทิ้งพระพุทธเจ้ากันเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ตัวเนี่ยนะเออเราจะทิ้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะทิ้งเราเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ตัวเลยเราไม่เคยรู้จักจะเสียหายเลยถ้าพระพุทธเจ้าทิ้งเราเราทิ้งพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยทิ้งพระองค์ก่อนนะ่ยเอพราเราทิ้งพระบรมศาสดาเราไม่รู้จักพระปรมศาสดาเราไม่เห็นคุณของพระศาสดาเราไม่ประมาณรู้จักประมาณตัวเองเนาะ ไม่รู้จักที่จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่เห็นพระรูปมาสดาในที่ทุกสถานในการดูเมื่อไม่เห็นทุกทิศถ้าเราเห็นธรรมเราจะเห็นพระรูปมาสดาในที่ทุกแห่งเนาะแม้กระยาในปุรุชนทั้งหลายเนาะบุคคลที่ไม่ไดาาาาา้เป็นพระโสดาบันสกาธานานเป็นพระทหารโดยมากก็ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในศาสนาเหมือนกันเนาะเออตั้งมั่นในศี ข, ขาสารตั้งมั่นในคุณของพระตตัตนไตรัยตรังมั่นในคุณของพระเจ้า ผู้ละทั้งหลายคือผู้เว้นทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคนี้พระบรมศาสดาไม่เว้นนะไม่เว้นกัลยาณบุรุชนที่ไม่เว้นพระธรรมของพระบรมศาสดาและนำพระธรรมของพระวรมศาสดานั้นขัดเกลาตนเองอยู่ตลอดเวลาพระศาสดาอยู่ใกล้ชิดเนอะเพราะความที่พระองค์เป็นผู้อันบุรุษอันบุรุษพิเศษทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีแล้วไม่พึงละเว้น บุรุษผูพิเศษเนียคนปฏิบัติดีทั้งหลายคนที่ขัดเกากายกรรมวิีกรรมโนกรรมเนี่ยเขาไม่ละเว้นพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ละเว้นความละคือภาวะที่สาธุชนทั้งหลายจะพึงสละรอบสละทิ้งซะถ้าเราจะละพระผู้มีพระาเจ้าเราสละความคิดนั้นทิ้งถ้ากายของเราจะไม่นอบน้อมพระเจ้าก็สละกายแบบนั้นทิ้งถ้าวาจาของเราที่เปล่งออกมาจะละคำไม่นอบน้อมพระเจ้าก็สละวาจานั้นทิ้ง ใจของเราไม่คิดเห็นคุณของพระผู้มีพระเจ้าเกิดขึ้นก็สละใจสําลอกใจนั้นทิ้งเสียก็ไม่มีแก่พระผู้มีพระเจ้าแล้วผู้ผู้มีพระเจ้าจะไม่สละรอบเราเราไม่ควรสละรอบพระบรมศาสดาเพราะสาธุชนเหล่านั้นไม่มีการละเว้นพระองค์นะเหตุนั้นพระองค์จึงได้นามว่าอารหังไม่มีผู้ละและไม่มีการละด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงประพันธ์คถาบอกว่า เยสัชิกตาสัตดัมมาอริยาสุทธโคจารานาเตหิรหิตโหตีนาโทเตนารหังมโตตอนนี้ท่านแปลเป็นความไว้บอกว่าพาระรยาเจ้าทั้งหลายเราใดผู้มีพระสัทธรรมอันกระทาให้แก้งแล้ว พระสัธรรมของท่านก็คือมรซี 4, ใช่ไหมผลซีนิพานหนึ่งเก้าแล้วก็ปริยัติธรรมหนึ่งท่านรู้แจ้งนะรู้แจ้งไม่ติดขัดในพระธรรมทั้งสิประการและ <c oughs> ท่านมีโคจรบริสุทธิ์ไหมโอ้โหใจของท่านบริสุทธิ์มากโคจรไปในรมไหนบริสุทธิ์นะโอโ้ใจของท่านจะเที่ยวไปในรูปารลมศรัทธารลมกันตารลมรักษารมโสด า, า, าภาลมธรรมล ม, ล ม, ลมสิกขาสาเดินทำนี้ เนี่ยเขาเรียกว่าโคจรบริสุทธิ <c oughs> น์นี่โคจรโคจรบริสุทธิ์แล <c oughs> ้วแะนั้โคจรหมายถึงอารมณ์ที่จักเที่ยวไป บางทีก็ที่ที่จะเที่ยวไปทั้นการที่เราท่านทั้งหลายให้สตินะสมปัจจัยเป็นไปกับรูปอารมณ์ทางทวารตาสติสัมปัญญะเป็นไปกับสัทธารมณ์ในทวานหูสติสัมปัญญะเป็นไปกับคันธารมณ์ในทวารจมูกสติสัมปัญญะเป็นไปกับพระสารมในทวารลิ้นสติสัมปัญญะที่เป็นไปกับโพธพารมทางกายทวาร สติสัมปชัญญะที่เป็นไปกับธรรมารมณ์ธรรมโลธรรมนี่เขาเรียกโคจรบริสุทธิ์โคจรไปไกลรมบรสุทถ้าจะเดินไปทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอนุทิศอีกสี่แปดทิศเดินไปเพอเพราะมีสติสัมปชัญญะเป็นไปกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการคุกานี่อย่างนั้นเขาเรียกผู้มีโคจรบริสุทธิ์แล้ว อัาตรงนี้ต้องชัดและอัาตรงนี้ต้องเอามาให้ครควนว่าเราท่านทั้งหลายจะสมาจารฐานว่าเราจะเป็นผู้มีโคโจรบริสุทธิ์อย่างไรโนโเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เมระเว้นพระบรมศาสดาและพระาศาสดาจะได้เป็นผู้ไม่ทรงละเว้นเราแล้วก็พิจารณาดูโคโจรของเราท่านทั้งหลายถ้าว่าโดยกระแสจิตที่ท่องเที่ยวไปในรมทั้งหลายต่างได้วยรูปบารมิจธารม คันธารมและสารมโผล่ถ้าพาลมและธรรมารลมถ้าการไปสู่ทิศเหนือตายออกตกและอนุทิศอีกสี่เป็นแปดก็พิจารณาดูที่ว่าการโคจรการเดินทางของเราท่านทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับในการยืนการเดินไปต้อหรือไม่ถ้ามีตรงนั้นแสดงว่าท่านเหล่านั้นมีโคจรบริสุดนั้นน่าศรัทธา ม, มากเมื่อไรเนาะเราจะได้โคจร อ, อันบริสุทิ์ทั้งจิตที่โคจรท่องเที่ยวไปกับอารมณ์ ทั้งกายกรรมเวทีกรรมทั้งต้นที่เป็นไปกระทำทิศทั้งหลายที่เราจะนําแบกกระแสขันในการยืนการเดินเป็นต้่าไหร่นี้ให้มีความบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนเนี่ทั้งส่วนจิตที่โครจรท่องเที่ยวไปกันในอารมณ์ทั้งหลายที่เราไม่ได้ไปและที่เราได้ไปจริงๆจะมีโครจรบริสุทธิ์